จเจริญพรมีมีใครมาคราวที่แล้วบ้างมีไหมใครไม่ได้มาคราวที่แล้วอเยอะเหมือนกันพอดีว่าคราวที่แล้วกับคราวนี้เนี่ยห่างกันแค่ ไม่กี่สัปดาห์สองสัปดาห์เองเนาะยังจำได้ไหมว่าคุยเรื่องอะไรไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน <c oughs> ขอย้อนสักนิดหนึ่งนะคือเดี๋ยวจะพูดต่อจากคราวที่แล้วสำหรับคนที่ไม่ไม่ได้มาคราวที่แล้วจะจะทวนนิดหนึ่งคราวที่แล้วเนี่ยได้เล่าถึงถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง พระรูปหนึ่งที่ฟุ้งซ่านพระฟุ้งซ่านองนี้เนี่ยท่านไปฟุ้งซ่านต่อหน้าพระอุปชาความฟุ้งซ่านนั้นฟุงในใฟ้งในใจฟุ้งในใจน้อยใจว่าพระอุปชาเนี่ยไม่ได้ไม่ยอมรับถวายผ้าที่ที่ท่านเตรียมจะถวายพระอุปชาท่านก็ไม่ไม่รับถวายด้วยความความคิดอนุเคราะห์ลูกศิษย์ ว่าท่านมีเยอะแล้วก็ให้อยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาไปใช้แต่ลูกศิษย์น้อยใจน้อยใจก็คิดฟุ้งซ่านไปขณะที่ฟุ้งซ่านนั้นก็ไม่รู้ตัวตอนฟุ้งซ่านนั้นก็ฟุ้งไปว่าเมื่ออุปชาไม่รับผ้าที่ท่านถวายเราเราจะอยู่ทำไมน้อยใจหนักขนาดที่คิดจะสึก <Yeah. S 2> เพราะว่าถ้านับตามตามคารวาสท่านก็เป็นหลานของอุปชานับตามเป็นพระก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์โดยตรงคืออุปชาบวชให้เรามีของถวายแล้วท่านไม่รับน้อยใจก็คิดว่าจะอยู่เป็นพระเนี่ยท่านก็ไม่เห็นคุณค่าศึกดีกว่าศ uh huh. ึกแล้ว ก็ต้องมีตังค์จะเอาตังค์ที่ไหนมาตั้งตัวก็มีสมบัติอยู่สองชิ้นก็คือผ้าที่จะถวายอุปชานั่นแหละจะเอาไปขายเอาไปขายคิดนะจะเอาไปขายผ้าเนี่ยก็มีค่าขายแล้วจะเอาไปลงทุนอะไรก็จะคิดว่าจะเอาไปลงทุนซื้อแม่แพะสักตัวหนึ่งแม่แพะออกลูกแล้ว ซื้อก็ซื้อตัวเมียด้วยนะซื้อตัวผู้ไม่มีลูกซื้อตัวเมียแม่แพทย์มีลูกก็เอาลูกไปขายอีกอย่างเงี้ยขายอย่างนี้ขายอย่างนี้ไปจนกิจการรุ่งเรืองพอที่จะมีเมียได้มีเมียแล้วก็มีลูกคิดว่ามีลูกแล้วเนี่ยลูกก็น่ารักคราวนี้จะเอาลูกมาอวดอุปชาในระหว่างที่นั่งรถ สมัยนั้นไม่มีรถมีมีแต่เกวียนนั่งเกวียนมาตัวเองก็ขับเกวียนขับเกวียนเนี่ยมันไม่มีเกียร์ออโต้ก็มีแต่บัวกับเชือกเรียกว่าบังเหียนนะแล้วก็คันเร่งของเขาก็คือปลาตักรู้จักปลาตักใช่ไหมปลาตักเนี่ยจะคอยจิ้มบัวให้บัวมันเดินเร็วเร็วขึ้นบัวมันเจ็บตัวมันก็วิ่ง เมียก็อุ้มลูกอันนี้เมียด้วยความเป็นสาวเลี้ยงลูกไม่เคยเป็นก็มัวแต่ทำอย่างอื่นถ้าเดี๋ยวนี้ก็คงมัวแต่จิ้ม iPod, iPad, iPhone หรือไม่ก็คอยแชทลืมดูลูกอะเงี้ยก็เลยสามีคือตัวพระนั่นแหละเ้วบอกดูลูกหน่อยสิอุ้มลูกดีๆ อุ้มลูกดีๆเมียก็บอกว่าขับเกวียนไปขับเกวียนไปมาเนี่ฉันอุ้มให้ดูนี่เกิดการแย่งลูกกันไอ้สามีกําลังขับเกวียนอยู่เนี่ยก็จะเอาลูกมาอุ้มไอ้เมียก็บอกไม่ต้องฉันจะอุ้มเองแย่งไปแย่งมาลูกตกลูกตกลงไปตกเกวียนตกเกวียนก็ถูกล้อกเกวียนทับตายนี่นึกเอานะ นึกเป็นฉากเป็นตอนมันมากเลยในขณะที่กำลังลูกตกไปเนี่ยโกรธเมียโกรธเมียก็เลยเอาประตักที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยจะมาฟาดประตักมันจะมีรู้จักประตักใช่ั้ยประตักเนี่ยมันเป็นไม้ที่มีปลายแหลมเป็นเหล็กแหลมเอาไว้จิ้มเอาไว้จิ้มมัวไม่ได้เอาประตักมาจิ้มเมียแต่ามาตีเมีย ในขณะที่ตีเมียนั้นะในความคิดคือ ต, ตีเมียตีเมียตัวเองกําลังยืนพัดพระอุปชาอยู่ก็เอาด้ามพัดนะ่ะตีอุปชาไปตีแม่นมากตีโดนหัวเลยอุปชาท่านก็ดูท่านก็เลยทักขึ้นมาว่าอยากจะตีเมียแล้วทําไมมาตีเอาพระแก่ๆท่านก็เลยตกใจตกใจก็หนี กลัวความผิดที่ตัวเองตีพระอุปชาหนีวิ่งลงจากกุฏิหนีไปเลยพระที่อยู่ข้างล่างท่านก็ช่วยกันจับพระจับพระจับมาแล้วก็เอามาส่งให้ท่านอุปชาอุปชาบอกว่าคดีนี้ต้องส่งถึงพระพุทธเจ้าก็ส่งถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นก็ทักเลยว่าไปจับพระมาได้เหรอคล้ายๆกับว่าให้สถานการณ์ผ่อนคลาย พูดกายๆก็ว่าพระจับพระมาเลอจับพระมาได้เลอก็สอบสวนทำไมต้องจับมาพระที่จับมาก็บอกว่าเนี่ยไปตีหัวพระอุชาแล้ววิ่งหนีเหรือเป็นอย่างนั้นจริงเหรือถามสอบสวนกับคนที่สอบสวนจำเลยไปทำยังไงท่านก็เล่าให้ฟังว่าคิดอะไรไปบ้างและตอนที่จะตีเมียแล้วไปพลาดไปตีหัวรุชาเนี่ยก็เล่าด้วย มันเป็นเพราะเหตุอย่างนี้ก็กลัวความผิดก็เลยวิ่งหนีตอนวิ่งหนีว่าไม่เอาผ้าสองผืนไปด้วยนะไม่รู้จะไปตั้งตัวยังไงนะฝันหนีได้เลยเนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรจิตมันเป็นอย่างนี้แหละดีนะคําคําสอนของพระพุทธเจ้านะเห็นว่าพระองค์นั้นเนี่ยกําลังร้อนรนด้วยความผิดที่ตัวเองมีอยู่ ท่านก็ปลอบก่อนไม่เป็นไรจิตมันเป็นอย่างนี้แหละจิตมันคิดมากอย่างนี้แหละมันฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ถ้าเราไม่ฝึกสัมรวมจิตดูราคะโทสะโมหะที่เกิดกับจิตอย่างนี้นะเราก็จะไม่พ้นบ่วงของมันแล้วท่านก็แสดงลักษณะของจิตสี่อย่างใครจำได้บ้าง <c oughs> ใครใครมาเขาที่แล้วจาได้ไหม มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งท่านพูดเป็นภาษาบาลีนะเดี๋ยวจะพูดบาลีก่อนทูรังขมังเอกจารังอสรีรังคุหาสยังลักษณะของจิตสแบบทูรังขมังคือไปไกลทูระแปลว่าไกลขมะแปลว่าไปขมะภาษาบาลีนะเสียงคล้ายๆกับภาษาอังกฤษคําว่าคําแต่คํานี่มาขมะนี่ไป คมนาคมในมาจากภาษาบาลีไปบ้างไม่ไปบ้างรถมันถึงได้ติดบ้างไม่ติดบ้างการคมนาคมทรรังคังมังททระแปลว่าไกลมาเป็นภาษาไทยก็จะเป็นโทระโทรค ม, มนาคมเป็นการติดต่อสื่อสารทางไกลโทรติดบ้างหลุดบ้างเพราะว่าไปบ้างไม่ไปบ้าง ธรคมบนาคมทูรังขมังนี่เหมือนกันจิตมันไปไปไกลทูระไปไปไกลทูระแปลว่าไกลคมะแปลว่าไปทูรังขมังไปไกลเอกะจารังเอกะไปว่าหนึ่งจาระแปลว่าเที่ยวไปเที่ยวไปการเที่ยวไปเนี่ยไปทีละดวงไม่ได้ไปเป็นพวงไปทีละดวง ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับแล้วจึงมีอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับอย่างนี้ไอการที่มันไปไกลเนี่ยไปแล้วก็ดับแล้วจึงมีจิต ด, ดวงหนึ่งถ้ายังคิดต่ออีกมันก็ไปต่อไปเรื่อยๆปุรุชนทั้งหลายคือคิดออกไปข้างนอกไปเรื่อยๆไปไกลๆแล้วที่ว่าไปไกลนั้นไปทีละดวงเอกจรังอสรีรัง คือไม่มีสรีระอ่ะไปว่าไม่สรีระคือร่างกายไม่มีสรีระก็คือเป็นนามธรรมอะสรีรังคุหาสยังอาศัยคูหาอยู่คูหาสยังอาศัยคูหาคูหานี่ก็คือกายนี่แหละอาศัยกายนี้อยู่กายนี้เ ป, นเปรียบเสมือนคูหาคือที่อยู่ของใจถ้ายังมีชีวิตอยู่กายกับใจนี่ยังสัมพันธ์กันอยู่มันก็กลับมาอยู่ในถ้ำนี้บ้าง แล้วก็เที่ยวออกไปแล้วก็กลับมาบ้างแล้วก็เที่ยวออกไปอาศัยครูหานี้อยู่คือบางทียุงกัดแล้วก็คันเจ็บพราะเจ็บเจ็บคันรู้อาการที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดต่อไปเรื่องยุงคิดต่อไปเรื่องดีดีทคิดต่อเรื่องกอยจะมาทาหรือยาหม่องจะมาทาอะไรเงี้ยคิดต่อไปเรื่ อ, อยไปไกลไปถึงตู้ยาไปถึง <c oughs> ตลับยาหม่องอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอยู่แค่ร่างกายนี้ หรือคิดอยู่แค่ผิวหนังหรือคิดอยู่เรื่องราวคิดไปไกลออกไปไกลไกลที่ว่าเนี่ยคือมันมันไม่ได้อยู่ที่จิตไกลไปกระทั่งว่าออกไปต่างประเทศก็มีออกไปนอกโลกก็ได้คิดถึงหลุมดำก็ยังได้คิดถึงกาแล็กซีอื่นก็ยังไปได้ไปไกลดังนั้นลักษณะสีอย่างนีไ้ได้เล่าไ้เมื่อคราวที่แล้ว ทบทวนนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังคราวที่แล้วนะลักษณะของจิต4อย่างจำได้ไหมอ้าวทวนท <laughs> ูรังขามังไปไกลเอกะจะรังเกิดขึ้นทีละดวงคำว่าดวงเนี่ยคือท่านก็ไม่รู้จะใช้ลักษณะนามยังไงใช้ว่าดวงก็ได้หรือใช้ว่าขณะก็ได้คือมันไม่มี ไม่ grammar, มีรูปจะไปมันญยติว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรท่านก็ใช้คำว่าดวงแทนไปก่อนบางท่านก็ใช้บางอาจารย์ก็ใช้คำว่าขณะใช้ใช้แทนไปก่อนมันคือเกิดดับเกิดดับทีละขณะทีละดวงทีละดวงจิตดวงนี้มีโทสะเพราะคิดถึงสิ่งนี้ที่ไม่ชอบใจมันแล่นไปหาสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดโทสะแล่นไปหาสิ่งไม่ชอบใจอีกเกิดโทสะอีกซ้าอีก บางทีรู้สึกว่าโทสะมันยาวนานแต่จริงมันไม่ใช่มีดวงเดียวเที่ยวยาวไกลแต่เป็นจิตดวงหนึ่งเกิดเสวยอารมณ์นั้นคือไปเกิดเสวยอารมณ์นั้นแล้วเกิดโทสะแล้วดับมีจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์นั้นอีกไม่ชอบใจอีกเกิดโทสะถ้ามันเกิดขึ้นซ้ำซํำๆนานๆก็รู้สึกว่าทําไมฉันไม่หายจากความโกรธอันนี้สักทีแต่จริงแล้วมันคือเกิดดับเกิดดับถ้าไม่เลิกคิดถึงสิ่งนั้นที่ไม่พอใจมันก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละถ้าเมื่อใด จิตดวงนี้ไปเห็นสิ่งนั้นแล้วไม่ชอบแล้วดับไปจิตดวงนี้แทนที่จะไปดูนั้นมาดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตอย่างนี้เรียกว่าดวงนี้เกิดสติดวงนี้ไม่เที่ยวไปไกลดูจิตเองอยู่กับจิตรู้อยู่กับจิตอย่างนี้เรียกว่ามีสติรู้ที่จิตไม่เที่ยวไปแต่เดี๋ยวเที่ยวอีกดวงนี้เองก็ดับที่รู้จิตอยู่เนียแล้วก็ดับเพราะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ทูรังขมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังลักษณะจิตสี่แบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระฟุ้งซ่านองค์นี้ใครที่มีความฟุ้งซ่านเป็นประจำเรียนอย่างนี้แบบเดียวกับที่ท่านสอนพระฟุ้งซ่านองค์นี้ก็ได้แล้วท่านไม่ได้สอนแค่นี้นี่แค่ครึ่งคาถาคราวที่แล้วพูดไปแค่ครึ่งคาถาคราวนี้จะมาต่ออีกครึ่งคาถา ครึ่นคาถาคือบอกลักษณะสะอย่างนะทูรังขมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังลักษณะที่หนึ่งคืออะไรนะแปลทูรังขมังไปไกลเอกจรังเที่ยวไปทีลักษณะอสรีรังเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่รู้ได้นะ อสรีรังคุหาสยังอาศัยกายนี้อยู่สายกายนี้อยู่คือจิตไหนก็อาศัยที่ที่กายนี้ชีวิตใครก็มีมีร่างและมีนามธรรมและร่างคือกายนี้กับนามธรรมก็สัมพันธ์กันอยู่มันไม่ได้ไปไปสิงอยู่ร่างไหนมันก็อาศัยอยู่ร่างนี้แหล ะ, ะชีวิตใครก็มีมีรูปธรรมและนามธรรมของชีวิตนั้นแลวท่านก็บอกแนวทางว่า ผู้ใดสำรวมผู้ใดสัรวมอยู่ในจิตนี้จึงจะพ้นบ่วงของมารภาษาบาลีบอกว่าเดี๋ยวนะทูรังขมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมขันติมารพันธนา จิตตังสั ญ, ญเมตสันติสั ญ, ญเมตสันติเนี่คือสัมรวมสัมรวมอยู่กับจิตผู้ใดสัมรวมอยู่ที่จิตคือแทนที่จะไปรู้สิ่งอื่นมารู้ว่าจิตเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้จิตมันเที่ยวไปจิตมันเกิดกิเลสจิตมันทางานเองแทนที่จะไปดูอย่างอื่นตลอดเวลาย้อนกลับมาดูจิตเรียกว่าสัญญามรวมอยู่ที่จิตสัรวมระวังอยู่ที่จิตสั ญ, ญเมต สัญญะสัญญโมคือความสำรวมโมกขันติโมกโมกขะแปลว่าหลุดพ้นโมกขันโมคขันติมารพันธนามาระก็คือมารพันธนาก็คือบ่วงหรือเครื่องผูกพันธ์พันธนาการเคยได้ยินใช่ไภาษาไทยใช้คำว่าพันธนาการคือเครื่องผูกพัน์บ่วงร้อยรัดอะไรประมาณนี้ ถ้าสัมรวมอยู่ในจิตศึกษาจิตอย่างนี้ว่ามีลักษณะอย่างนี้ทั้งสี่อย่างนี้เห็นลักษณะของจิตว่าเป็นอย่างนี้ตอนที่เห็นมันไม่มีเรามันเป็นจิตจริงๆเห็นว่าจิตมันเป็นอย่างนี้เกิดดับไปเปลี่ยนแปลงตอนเห็นมันเกิดดับเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงข้อที่สองทีแรกเนี่ยเห็นลักษณะของจิตว่าจิตมันไปเสวยอารมณ์ คือมันแล่นออกไปไกลเที่ยวไปไกลเที่ยวไปไกลเที่ยวไปดูอะไรไปดูน่นดูนี่เห็นอะไรมันก็คือไปไปเสวยวอารมณ์ในสิ่งนั้นไปอยู่กับสิ่งนั้นรู้สึกไหมจับมองออกไหม <c oughs> เช่นไปดูพัดลมจิตก็แล่นไปหาพัดลมมันเที่ยวมามันออกจากร่างนี้มาหาที่พัดลมตอนเห็นพัดลมมันไม่ได้เห็นอย่างเดียว มีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือเฉยๆบ้างพอใจแล้วก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดกับสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาในใจพร้อมกันด้วยคือราคะพอใจถ้าไม่พอใจก็มีเหตุใกล้อีกอย่างหนึ่งว่าทำให้เกิดโทสะไม่พอใจถ้าไม่มีสติเลยราคะและโทสะนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเปล่าๆ เ, เกิดขึ้นและขณะที่จิตมันดับเนี่ยนะมันจะมีขณะหนึ่งก่อนจะดับลงไป เรียกว่าตัทาลัมพนะมันทำหน้าที่ในการเก็บเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ฝังลงไปในจิตเรียกง่ายๆว่าเป็นการเซฟข้อมูลแต่ถ้าภาษาในภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าเก็บไว้ในจิตเป็นอนุัยราคะเกิดขึ้นไม่มีสติเก็บเข้าไปเป็นอนุัยฝังลงไปโทสะเกิดขึ้นไม่มีสติ เก็บลงไปเป็นอนุสัยฝังลงไปฝังได้โดยไม่มีไม่มีจํากัดพื้นที่ไม่จํากัดไออะไรเมมโมรี่ของเราเนี่ยยังมีพื้นที่จํากัดเพราะมันเป็นรูปประธรรมแต่เมมโมรี่ในทางนามธรรมามันอินฟินิตี้เก็บไม่ได้เรื่อยๆเก็บมาตลอดสังสารวัตรเก็บไว้หนาแน่นมากอนุสัยนี้เก็บไว้หนาทั้งหนาและเหนียว เพราะมันอัดไปเรื่อยๆทั้งแน่นทั้งหนาและเหนียวอนุสัยอันนี้มันจะมันจะทะลุมาสักครั้งหนึ่งตอนที่เกิดมรรคผลครั้งแรกเป็นพระโสดาบันทะลุมาทีหนึ่งโผมาให้เห็นว่ามันมีสภาวะที่มันมันไม่ปรุงแต่งไม่มีนะที่มันมีมีความรู้เป็นสัมมาธิทิเนี่ยมีอยู่มีอยู่ขณะหนึ่งแล้วพอเห็นแสงสว่างทีหนึ่งแล้วก็ ความโล่งนั้นก็ดับทันทีมันก็ปิดมาท่านเปรียบเหมือนคล้ายๆก็ว่าเราโยนหินไปในบอ่อน้ําหรือสระน้ําที่มีแหนมีจอกมีแหนน้ำเนี่ยก็เพื่อมแหวกออกมาทีนึงแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็วขณะที่เกิดมากผลเนี่ยมันแหวกมาทีนึงแล้วก็ปิดเกิด <c oughs> อีกครั้งหนึง่งตอนเป็นพระสกิทาคาแหวกอีกทีนึงแล้วก็ปิด เป็นพระอนาคามีก็แหวกทีนึงแล้วก็ปิดอีกดูความหนาความเหนียวของมันนะแหวกได้ด้วยมรรคผลแล้วนะมันยังปิดมาอีกจะแหวกครั้งสุดท้ายก็คือเป็นพระอาหารหันต์แหวกแล้วคราวนี้ขาดเลยความขาดตรงนั้นเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอันนี้ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังอาตมาไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังท่านบอกว่ามัน ความเปลี่ยนแปลงตัวนั้นเนี่ยเดิมจิตมันเหมือนมีอะไรห่อหุ้มอยู่ใครรู้สึกอย่างนี้บ้างมันเหมือนเราถูกขังอยู่รู้สึกไหมรู้สึกว่าเราเนี่ยถูกขังอยู่ไปไหนไม่ได้จิตจะออกรู้ไปนอกจากนี้ไม่ค่อยได้มันถูกขังด้วยด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งมันถูกห่อหุ้มอยู่อยากจะรู้สิ่งนั้นก็รู้ได้แบบออกไปแป๊บๆแต่ว่ามันเหมือนถูกขังเอาไว้ไอ ความที่มันถูกห่อหุ้มเนี่ยบางทีท่านก็เปรียบเหมือนว่าเหมือนเหมือนไข่เหมือนไก่อยู่ในในฟองไข่โลกข้างนอกน่นไม่รู้หรอกมีอะไรบ้างถูกเปลือกไข่ในห่อหุ้มออกไปเจาะออกมาครั้งแรกมันแหวกมาทีหนึ่งแล้วก็หูกไปอี ก, กเปลือกไข่แปลกมันเปลือกไข่ที่แปลกแหวกมาได้แล้วผูกไปอีกแหวกครั้งสุดท้ายเนี่ยเจาะแล้วเจาะเลยเปิดออกมาเลยจิตครั้งแรก เปิดออกมายังคงเป็นจิตอยู่เหมือนเดิมจิตครั้งสุดท้ายที่เปิดออกมาเนี่ยพอแหวออกไปได้แล้วเนี่ยมันไปรวมอยู่กับอะไรธรรมชาติทั้งปวงส า, ากลจักรวาลทั้งหลายตรงนั้นมันเลยจะเรียกว่าจิตก็ไม่ใช่จิตจะว่าไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่ก็ยังเป็นจิต <c oughs> ใครเคยอ่านจิตคือพุทธะของปูดูนไหมหรือ สูตรของเว้ยหลางฮวงโปอะไรพวกนี้นะจะมีคำอธิบายสภาวะตรงนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วปฏิเสธไปหมดเลยจะว่าจิตก็ไม่ใช่จิตจะว่าไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิต <c oughs> คือมันจะสรุปแล้วคือไม่ต้องไปคิดมากเรายังไม่ประสบไม่มีประสบการณ์นั้นฟังไว้แต่ว่ามันมีสภาวะอย่างหนึ่งที่พอเป็นพระอรหันต์แล้วมันมีสภาวะแบบเนี้ย ถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่นะจิตยังเป็นจิตอยู่จิตยังเป็นจิตอยู่เพราะฉะนั้นให้รู้จิตเรียนรู้ไอ้จิตตัวนี้แหละไอ้จิตที่ว่ามันเป็นเรานี่แหละเมื่อไรที่เราเรารู้สึกว่าจิตมันเป็นเราแสดงว่าตอนนั้นยังมีความเข้าใจผิดอยู่ต้องเรียนจนจนจิตมันยอมรับความจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่เราทีแรกบางคนมาเล่าให้ฟังนะบปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่า มันพอจะเห็นว่าไม่ใช่เราแล้วตกใจตกใจบางคนเสียใจตกใจแบบเสียใจกลัวบางคนน้ำตาไหลความเป็นเราหายไปแต่มันหายไปแป๊บเดียวนะมันคล้ายๆกับว่าชีวิตของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยพยายามทำทุกสิ่งเพื่อเพื่อภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเซิร์ฟเพื่อสนับสนุนให้อัตราเนี่ย มันคงทนอยู่นานทําทุกอย่างเพื่อค้ายันถ้ารู้สึกว่าอัตตานี่มันคอนแคลนพยายามาหาอะไรมาค้ายันให้มันแน่นเข้าให้อัตตานี้มันแน่นเข้าให้เราเนี่ยมันแน่นๆ่นเข้าพยายามหาที่ยืนในสังคมนี่ก็เป็นอัตตาพยายามหาความมั่นคงกับชีวิตนี่ก็เป็นอัตตาเซิร์ฟอัตตาเสริมอัตาสสตาทําไปเพื่อสนองความหนักแน่นมั่นคงขอ ง, ข อ, งอัตตา พอเห็นว่ามันไม่มีตกใจกูอุตส่าห์ทำมาทั้งชีวิตเพื่อใหอ้อัตตาเนี่ยมันยั่งยืนมั่นคงพอเห็นว่ามันไม่มีแล้วตกใจสะเทือนใจเพราะสิ่งที่ที่อุตส่าห์สร้างสมมาเพื่อสิ่งนี้กลับไม่มีจริงสิ่งที่อุตส่าห์ทะนุถนอมมาปั้นแต่งมันจนแข็งแรงเนี่ยนะสุดท้ายกลับไม่มีจริง ตกใจเสียใจต่อแต่นั้นยังไม่ได้มากผลแค่เห็นเงาลางๆว่ามันไม่มีจริงก็ตกใจเสียใจนั้นที่ทําต่อไปคือต้องต้องเรียนต่อไปว่ามันไม่มีจริงๆนะจนจิตมันยอมรับจิตจะเห็นไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมีสุขอยากให้มันอยู่สุขนานๆไม่นานกับเรา ไม่นานตามใจอยากมีทุกข์อยากให้หายเร็วๆไม่ดับไปตามใจอยากเห็นซ้าๆเห็นซ้าๆจนจนมันวางใจได้ถ้ามันยังไม่วางใจมันเห็นแล้วมันจะจะไม่เป็นกลางจิตที่ไม่เป็นกลางเนี่ยบังคับให้เป็นกลางไม่ได้บางทีเวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนเวลาให้ดูเ น, น ให้ดูด้วยความเป็นกลางเนี่ยเราก็เผลอไปทำความบังคับให้ใจเป็นกลางอยากให้มันเป็นกลางแต่เทคนิคไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกว่าให้ดูด้วยความเป็นกลางเนี่ยคือให้รู้ทันว่ามันไม่เป็นกลางวิธีดูนะให้รู้ทันว่าเมื่อกี้ดูแล้วพอใจเมื่อกี้ดูแล้วเห็นสภาวะแล้วไม่พอใจไม่ชอบใจให้รู้ทันว่าเกิดความไม่เป็นกลาง เท่านี้เองดูให้ยอมรับความจริงถ้ามันยังไม่ยอมรับความจริงมันจะมีการกระทําการกระทํานั้นแสดงความไม่ยอมรับความจริงก็เลยเกิดความไม่เป็นกลางซ้ําเข้ามาอีกเช่นเห็นว่ามันมีโทสะเกิดขึ้นแล้วไม่ชอบแสดงความไม่เป็นกลางอยากจะบังคับให้จิตเป็นกลางก็ไปเพ่งเอาไว้เพ่งก็มีจุดเพ่งหลายหลายจุดมากแต่ละคนจะหาสรรหาวิธีเพ่งได้หลากหลาย เช่นเพ่งถนัดเพ่งที่ไหนกันบางคนเพ่งที่ตาเพ่งที่ตาคือเพ่งที่อายตนะภายในตาเนี่ยมันไม่ได้เพ่งลูกตานะเพ่งที่จุดรับสัมผัสรูปบางทีก็ไปเพ่งที่รูปเลยนี่ไปเพ่งที่อายตนะภายนอกบางทีก็ไปเพ่งที่จุดที่มันสัมผัสกันจุดสัมผัสระหว่างรูปกับประสาสัมผัส บางคนสามารถเพ่งได้ขนาดนั้นนะบางคนเพ่งที่ตัวรับรู้เราจะมีการรับรู้อะไรได้เนี่ยมันต้องอาศัยอาญาตนะภายนอกคือรูปอาญาตนะภายในคือตาในกรณีนะเวลาการเห็นเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีรูปคืออาญาตนะภายนอกจะต้องมีอาญาตนะภายในคือตารูปกับตาต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เกิดไม่เกิดการรับรู้มันต้องมีการประทะกัน ภาษาบาลีเรียกว่ามีผัดสะภาษาไทยก็ใช้สัพท์ซ้ําก็อีกว่าเป็นสัมผัสมีการผัดสะคืออันยตนะภายนอกมาเจอกับอันยตนะภายในรูปมากระทบาตาตรงนี้เรียกว่าผัดสะมีผัดสะเกิดขึ้นถ้าไม่มีวิญญาณไปรับรู้ก็ไม่เกิดการเห็นไม่เกิดการได้ยินไม่เกิดการได้กลิ่นไม่เกิดการได้รสต้องมีวิญญาณเข้าไปรับรู้บางคนก็ไปเพ่งตัวรู้ตัวนี้ตัววิญญาณก็พลาดอีก อยากได้ได้สภาวะที่เป็นกลางก็ไปเพ่งเอาจุดต่างๆเหล่านี้วิธีที่ถูกคือปล่อยให้มันทำงานปล่อยให้มันทำงานแสดงความจริงแล้วรู้ทันรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นรู้ทันว่ามันไม่เป็นกลางขณะที่ไม่เป็นกลางคือมันไม่เป็นกลางจริงๆแต่พอรู้ทันตอนนั้นรู้ที่จิตตอนนั้นเป็นกลางแปลกดี แต่เรามักจะพลาดถึงแม้จะฟังอยู่บ่อยๆนะมันจะพลาดตรงที่ว่าอยากจะดีอยากจะภาวนาเก่งๆอยากจะพัฒนาจิตใจให้มันไปเร็วๆเห็นว่ามันไม่ดีก็ไม่ชอบไม่เป็นกลางก็ไม่รู้ตัวตอนนี้นะก็ไปเพ่งเอาไว้พยายามทํำยังไงจึงจะเพราะว่าท่านบอกอาไว้ว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางท่องได้ใครท่องได้บ้าง ท่องได้แต่พอมันทำไม่ได้ก็ทำไม จ, จึงจะให้เป็นกลางสติรู้ทันสภาวะพอรู้แล้วทำยังไงจะให้เป็นกลางก็ไปเพ่งเอาไว้ตัวนี้แสดงความไม่ยอมรับความจริงวิธีก็คือยอมรับว่ามันไม่เป็นกลางเห็นความไม่เป็นกลางด้วยใจที่ยอมรับบ่อยๆแล้วใจมันจะยอมรับเองใจมันจะทนอยู่ได้ที่จะดูเองคล้ายๆ ท่านก็ยกตัวอย่างนะคล้ายๆกับผู้หญิงเวลามีตีนกามีรอยย่นมีร่องลึกบนใบหน้า <c ười> ร่องแรกรับไม่ได้ร่องสองก็รับไม่ได้ร่องสามรับไม่ได้เห็นนานๆเข้ารู้ว่าแก้ไขไม่ได้แน่ๆใจยอมรับใจเป็นกลางยอมรับได้เห็นรอยย่นบนใบหน้าแล้วยอมรับได้เรียกว่า พยายามแก้สุดลิสุดเดดแล้วแก้ไม่ได้วิธีดูจิตเหมือนกันดูแล้วไม่ยอมรับให้รู้ทันว่าเมื่อกี้นี้จิตมันไม่ยอมรับความจริงมันไม่เป็นกลางรู้แล้วมันไม่ชอบรู้ทันว่ามันไม่ชอบรู้แล้วดีใจเฮ้ยฉันมีสติแล้วให้รู้ทันว่าดีใจรู้แล้วไม่เป็นไม่เป็นกลางรู้แล้วมีการแทรกแซงมีการแก้ไขให้รู้ทันว่ามันมันมีการแก้ไข ในในคาถาที่พระพุทธเจ้าสอนพระเนี่ยนะน่าสนใจที่คือต้องเรียนเวลาเรียนอยากจะให้อยากจะให้เรียนให้จบคือไม่ใช่เรียนแค่ครึ่งเดียวคร<ม>าวที่แล้วบอกแค่ครึ่งเดียวคราวนี้มาบอกให้จบทูรังขังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติอันนยาวหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวเอาหมายเอาหมาเดี๋ยวจะท่องให้ท่องให้ฟังก่อนรอบหนึ่งนะทูรังขมังเอกาจารังอสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมขันติมารพันธนาเยจิตตังสัญญเมสันติแปลว่าเมื่อผู้ใดสำรวมอยู่ในจิตโมขันติมารพันธนาผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมาน บ่วงของมารคืออะไรใครโดนบ่วงของมารรัดเอาไว้บ้างมีไหมโดนปะโดนเหรอ <laughs> ก่อนจะรู้ว่าบ่วงของมารคืออะไรรู้จักมารก่อน <laughs> มารเนี่ยพระอัตถคถาจารย์ท่านแบ่งเอาไว้ห้าแบบใครเคยรู้บ้างมารมีห้าแบบ <laughs> มีอะไรบ้างใครพอใครเคยได้ยินบ้างหนึ่ง ใครรู้ไหมอะไรนะขันธามาะขันธามานก็เป็นมานตัวหนึ่งใครรู้จักมานตัวอื่นอีกรู้ไหมไม่รู้มีอภิสังขารมานเคยได้ยินไหม อ, อีกตัวหนึ่งมัจจุมานรู้จักไหมไม่ใช่มัจจุราชนะมัจจุมานมานคือความตายอีกตัวหนึ่งคือเทวปุตตมานรู้จักไหมเทวปุตตมารคือขวนิมานเป็นตัวตนเป็นเทวดาที่มาคอยแกล้ง มาคอยแกล้งเนี่ยมีมารหัวโจกเรียกว่าพญามารพญามารพญามารมีลูกสาวเป็นลูกสาวพญามารแล้วยังมีเสนามารมานิมเป็นแกงเลยนะเป็นแกงมารที่มารบกวนพระพุทธเจ้าในวันที่จะตัดสู้เนี่เป็นเทวปุตตมารที่มาทวงบัลลังก์ บางคนบอกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นกิเลสมารเอ่อมีกิเลสมารตัวที่ห้าไล่ไล่ถูกไหมอันนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับนะมีขันธมารอภิสังขารมารมัจจุมารเทวปุตุมารแล้วก็กิเลสมารมารที่มารบกวนพระพุทธเจ้าใต้ต้นโพนึกออกไหมวันที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยในทางพุทธประวัติก็ได้เล่าว่า มีพญามารพร้อมด้วยเสยนามากันแปลงกายให้ดู น, น่ากลัวเพื่อให้พระพุทธเจ้าลูกจากบัลลังก์นั้นจะได้ไม่สําเร็จพราะรู้ว่าจะต้องสําเร็จแน่ๆทำไมรู้ว่าจะต้องสําเร็จทําไมพญามารรู้ว่าจะต้องสําเร็จรู้ไหมพญามารนะ่ะติดตามมาตลอดเลยนะตั้งแต่พระ เ, ะเจ้าเสด็จออกพนด ตอนเสด็จออกผนวดมารก็ระแวงแล้วว่าถ้าออกผนวดนะจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่ๆเลยก็เลยไปพูดกร อ, อกหูไว้บอกว่าอย่าบวชเลยอย่าบวชเลยอีกเจ็วันจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิพระเจ้าจากกักรพรรดินี่ก็คือครองแผ่นดินทั้งหมดเลยครองโดยธรรมด้วยไม่มีศัตรูมาต่อต้านเลยบอกอีกเจ็วันจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิแล้วอยู่ต่อเถอะอย่าออกบวชเลยพระเจ้าบอกว่าอย่าเอา อย่าเอาสมบัติเหล่านี้ทั้งโลกมาล่อเลยเราต้องการที่จะหาแนวทางที่จะพ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเราเห็นเทวทูตทั้งสี่แล้วเราต้องการพ้นจากสิ่งนี้หาวิธีที่จะพ้นจากสิ่งนี้ไปเมื่อหาวิธีพ้นได้เราจะมาบอกต่อกับคนทั้งหลายนี่มานมาเจอพระเจ้าตอนตอนบวชแล้วขัดขวางการบวชของพระทเจ้าไม่ได้ก็มา ขัดขวางตอนที่พระเจ้าจะนั่งใต้ต้นโพในวันตรัสรู้บวชแล้วจากนั้นมาเนี่ยไม่กวนเลยนะเพราะอะไรเพราะพระเจ้าออกบวชแล้วพระเจ้าไปทำวิธีผิดผิดมารก็ดูรู้แล้ว้าทำอย่างนี้ไ ม, ไม่ไม่สำเร็จหรอกไม่กวนแปลกดีมารก็รู้นะรู้วิธีอยู่ว่าจะทำยังไงจึงจะสำเร็จไปนั่งสมาธิเหรอ ทำฌานเหรอเออทำไปเถอะได้ถึงฌานแปดทำไปเถอะทำอย่างงี้นะตอนนั้นทำสมาธิแบบอารัมมานูปนิชฌ า, านพญามารก็รู้ว่าทำอย่างงี้ไม่สำเร็จไม่กวนทำไปเลยปล่อยให้ทำโดยที่ไม่กวนเลยไม่กลั่นแกล้งให้ทำโดยสะดวกโยทินไม่แกล้งเลยไปทรมานร่างกายเหรอไปอดหลับอดนอนอดข้าว ไปกั้นลมหายใจให้ทำไปเลยให้อดอาหารจนผอมเลยให้ทำไปเลยไม่กวนเลยสักนิดหนึ่ง6ปีตลอดเวลาหปีไม่กวนเลยพอท่านเห็นว่าการอดอาหารไม่ใช่วิธีการทรมานร่างกายไม่ใช่วิธีการจะศึกกลับไปเสวยสุขในในราชวังก็ไม่ใช่วิธีท่านมานึกย้อนถึงตอนเด็ก นึกได้ไหมพุทธรวัตินะตอนเด็กๆที่ท่านไปร่วมงานแรกนาขวัญพี่เลี้ยงเนี่ยไปร่วมงานจริงๆพี่เลี้ยงเนี่ยต้องมีหน้าที่คอยดูท่านนะแต่ท่านเนี่ยไม่ใช่เด็กสนจับนั่งตรงไหนก็นั่งได้นานๆพี่เลี้ยงเห็นว่าเออนั่งตรงนี้แล้วนะคงไม่ไปเที่ยวไหนแล้วพอรู้อยู่ก็เลยตัวเองก็เลยไปดูพิธีปล่อยให้พระองค์เนี่ยนั่งอยู่คนเดียว ตต้ตนว่าบารมีเก่าของท่านคือเคยฝึกดูลมหายใจมาแล้วการดูลมหายใจของท่านเนี่ยดูแบบมีผู้รู้ไม่ใช่ดูเอาแค่ลมเหมือนเราเวลาทำพุโทโธเราก็จะไปดูจากพุโทโธไม่ได้มีจิตผู้รู้แต่ท่านทำแบบมีจิตผู้รู้ทำอย่างนั้นเนี่ยได้ฌานแบบหนึง่งเรียกว่าลักคนูปนิชฌานจิตรู้อยู่ที่จิต รู้จุดรู้อยู่คนละที่กันนะตอนทําตอนทําตอนเด็กที่ท่านได้เนะี่ยจิตรู้อยู่ที่จิตเห็นกายนี้หายใจแต่พอไปเรียนกับดาบ ท, ทั้งหลายดาบทสอนให้ไปรู้อยู่ที่อื่นเช่นไปดูไฟให้จิตไปอยู่ที่ไฟบูชาไฟเห็นไฟสว่างก็ไปอยู่ยกับไฟจิตอยู่กับอารมณ์คําว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ จิตคือสิ่งที่ไปรู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตไม่รู้โดยอย่างอื่นนะเพราะอย่างอื่นไม่มีรู้รูปรู้อะไรไม่ได้จิตคือสิ่งที่ไปรู้รูปหรือ ร, รู้จิตเองก็ได้เวลาก็าทำฌานแบบฤาษีทั่วไปก็คือส่งจิตออกไปรู้ข้างนอกดูดอกไม้ก็ดูที่สีเห็นข้างนอกอย่างนี้ได้ฌานอย่างหนึ่ง และเป็นฌานที่ทำกันได้ทั่วๆไปพระพุทธเจ้าไม่ต้องอุบัติมาเขาก็ทำกันเป็นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นเจ้าชายศ ร, รีรัตถะตอนที่ถูกปล่อยให้นั่งคนเดียวใต้ต้นว่าท่านทำสมาธิคือเห็นกายนี้หายใจแล้วจิตรู้อยู่ที่จิตมีการแยกออกมาระหว่างกายกำลังหายใจนี้กับจิตที่รู้อยู่แต่แยกเนี่ยแยกโดยโดยความรู้สึก ไม่ใช่เอาจิตลอยอยู่ข้างบนแล้วเห็นตัวตัวนี้หายใจไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นความรู้สึกว่ากายกําลังหายใจเนี่ยมีผู้รู้อยู่ตัวหนึ่งอันนี้ต้องระวังนะถ้าไปแยกออกมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นการทําฌานแบบอารามานุปนิชฌานอีกแบบหนึ่งทําสมถะท่านระลึกถึงตอนที่ตอนเด็กๆที่ท่านทําอย่างเงี้ยตอนที่กําลังจะเป็กวันสุดท้ายที่จะบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ตัสรุปเป็นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงการทําครั้งนั้นได้ท่านเห็นว่าวิธีที่ฤาษีทั้งหลายที่สอนพระองค์มาเนี่ยมันทําไม่เหมือนที่ตอนที่ท่านทําตอนเด็กๆไปเรียนฤาษีสององค์ที่ว่ามีชื่อเสียงอาราระดาบทกับอุทธกาดาบทเนี่ยสอนวิธีออกไปเพ่งข้างนอกเพ่งที่อารมณ์แต่ตอนที่ท่านทําใต้ตอนเด็กๆ เ, เนี่ย ไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่ฤๅษีสอนคือใช้จิตรู้จิตเห็นร่างกายหายใจแต่จิตอยู่ที่จิตตรงนี้พระอัตถคถาจาย์ท่านอธิบายว่าเป็นการทำฌานแบบรู้ลักษณะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งลักษณะการเพ่งอารมณ์เป็นฌานได้เหมือนกันอยู่ที่จิตก็ได้ฌานเหมือนกันพอ ท่านระลึกได้ว่าตอนเด็กๆทำอย่างนี้ท่านจะทำอย่างนี้ต่อเห็นว่าทาแบบฤาษีทำไปแล้วจนสุดฤทธิ์แล้วไม่พ้นทรมานร่างกายจนสลบสลดไปแล้วหลายครั้งไม่พ้นไม่มีการตัดสรู้ไม่เกิดปัญญาท่านมานึกถึงตอนเด็กๆทำแบบนี้เคยทำได้คิดจะทำคิดจะทำแล้วปู่อาสนะที่ได้ยาคาจากนายโสตยะแล้วก็มาปู่แล้วก็ นั่งหันหลังให้กับต้นโพหันหน้าไปทางที่ตะวันออกพยามารรู้เลยว่าถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวจะได้ทําสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานเดี๋ยวได้ปัญญาแน่ๆเลยเดี๋ยวจะต้องตัดสรุปแน่ๆเลยไม่ได้พยามารเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งคืออิจฉาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วไม่แค่ยังไม่ได้ดีเลยนะแค่กําลังจะได้ดีทนไม่ได้ อิดช้าต้องเตะตัดขาต้องเลื้อยขาเก้าอี้แต่นั้นท่านไม่ได้นั่งเก้าอี้ท่านนั่งบนหญ้าก็ต้องทำยังไงให้ท่านลุกจากบรรลังนั้นไป